m mm -hmm. เรามีความทุกข์ก็อยากจะแก้ทุกข์อยากจะทำให้ความทุกข์หมดไปหรือว่าลดน้อยลงแต่ก่อนที่จะแก้ทุกข์หรือว่าบรรเทาทุกข์เนี่ยอย่าลืมกลับมาดูใจตัวเองไม่ว่าจะทุกข์กายหรือทุกข์ใจก็ตามนะ าการกลับมาดูใจของตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่คนมักจะมองข้ามหรือวอย่างเช่นเวลาทุกกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพราะมีแมลงสัตว์กัดต่อยเป็นเพราะปวดเมื่อยหรือว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายก็ตามเนี่ยให้ลองสังเกตดูใจของเรานะมันไปซ้ําเติมตัวเองหรือเปล่า ซ้ำเติมยังไงซ้ำเติมด้วยการบน่นโวยวายตีโพยตีพาย้ลองสังเกตดูคนเราเวลาปวดกายมันไม่ได้แค่ปวดกายอย่างเดียวนะมันจะมีปวดใจซ้อนมาด้วยและเพราะว่าไม่มองไม่กลับมาดูใจตัวนี้ก็เลยคิดว่าปวดกายเวลาเมื่อยก็คิดแต่ว่าเมื่อยขา ปวดขาแต่ว่าไม่ได้ตระหนักว่ามันมีความทุกข์ใจเนี่ยซ้อนทับเข้ามาเกือบจะร้อยท่อง้อยนะ ม, มองไม่เห็นตรงนี้นะนี้พอมองไม่เห็นเนี่ยก็เลยปล่อยให้ใจเนี่ยมันซ้ำเติมกายใจที่บนใจที่วทโววายตีโพีายนี่แหละนะที่มัน ซ้ำเติมตัวเองและบางทีไอ้สิ่งที่ซ้ำเติมด้วยความทุกข์ใจเนี่ยมันหนักหนากว่าความทุกข์กายด้วยซ้ำแต่เพียงแต่เราทำให้ใจเนี่ยมันเลิกบนจุดโวยวายตีโยตพยตีพายหรือคร่ำครวญเนี่ยความทุกข์มันก็จะลดลงน ยังไม่ต้องทำอะไรเลยกับกายเนี่ยความทุกข์มันก็ลดลงแล้วเพราะว่าเราทำามือเมื่อเราทำใจให้เป็นปกติพอใจปกติปุ๊บเอ่ความปวดความเมื่อยมันก็เหลือแต่ปวดกายเมื่อยกายแม้จะยังไม่ทันลุกเวลาโดนแมลงสัตว์กัดต่อยฮหมดก็ดียุงก็ดี ใจมันก็เกิดโทสะกเกิดความขุ่นเคืองแล้วมันก็วอยวายอยู่ข้างในแล้ยังไม่ทันปัดไม่ทันตบเลยเนี่ยเพียงแค่ทำใจปกตินี่ห้ความคันความปวดมันก็ลดลงไปแล้วนะในส่วนจะปัดส่วนจะที่จ ะ, ะปัดมดปัดยุง หรือไม่นะก็อีกเรื่องหนึ่งแต่บางทีมันกัดไปแล้วนะถึงแม้ปัดมันมันก็ยังคันหรือว่ายังปวดอยู่ถ้าไม่ดูใจนะัมันก็ปวดทั้งกายปวดทั้งใจโรภคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันนะไอ้ที่ทุกจนกินไม่ได้นอะนไม่หลับนะหรือจนกระทั่งบางที หมดอะไรตายอยากกับชีวิตไม่มีไม่มีชีวชีวาเลยเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เพราะไอ้ความทุกข์กายนะเป็นเพราะความทุกข์ใจความกลัวความวิตกกังวลสารพัดหลายคนนี่พอเขาจัดการนะกับอารมณ์เหล่านี้ได้นะด้วยการรักษาใจปกติ โลกร้ายก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสได้เหมือนกับว่าความทุกข์มันหล่นหายไปหลายส่วนเลยทีเดียวนอกจากใจที่มันบ่นวายตีโผยตีพายแล้วนะลึกลงไปกว่า น, นั้นเนี่ย <c oughs> มันมีความรู้สึกว่าไม่ใช่แค่กายปวดกายเมื่อย หรือว่าขันเท่นั้นนะมันมีความรู้สึกที่ซ้อนเข้าไปว่าฉันปวดฉันเมื่อยใ <c oughs> ฉันเจ็บนะให้ตัวนี้ยสําคัญนะร้อยทัองร้อยก็มองไม่เห็นนั่นนะว่ามันมีตัวนี้ที่มันทําให้ให้ให้ทุกข์กว่าเดิมและที่บน่นบวยวายตีโพยตีตพยอดครัวนี่ก็เพราะมันมีตัวนี้นะ เป็นรักเง่าฉันปวดฉันเมือ่อยเนี่ยแทนที่จะเห็นความปวดความเมือ่อยเข้าไปเป็นแล้วผู้คนส่วนใหญ่แยกไม่ออกนะระหวังเห็นกับเป็นมันก็เลยเผลอเข้าไปเป็นอยู่เรื่อยอเวลาเราปวดเวลาเราเมือ่อยหรือว่าเวลามีแมงสัตว์ กัรต่อยรู้สึกคันขึ้นมาเนี่ยนะเป็นโอกาสดีนะที่จะม า, มาสังเกตใจของเราตรงนี้ว่ามันเห็นหรือว่าเข้าไปเป็นละเห็นความปวดความเมื่อยหรือเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยนะหรือเที่ยมองไม่เห็นนะเที่งยงแล้วก็ให้สังเกตไอ้ความไออาการของใจที่มันบน่นมันวอวายตีโพยตีพายเนี่ย ต, ตัวนี้มันเห็นง่ายกว่า ตรงนี้แหละที่เกิดโทสะขึ้นมาในใจซึ่งเป็นการซ้ำเติมตัวเองคนเรานี่มักซ้ำเติมทำ้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะโดยการปล่อยใจให้มันบวยวายอย่างี้แหละอันนี้ทุกกายนะทุกใจคือเหมือนกันนะทุกใจคนส่วนใหญ่นี่ก็มักจะไปโทษคนนั้นคนนี้ไปโทษดินฟ้าอากาศนะ โทษอะไรต่ออะไรมากมายแต่ลืมนะกลับมาดูใจตัวเองว่ามีส่วนหรือเป็นตัวการเนี่ยทำให้เกิดความทุกข์ใจหรือเปล่ามีโยงคนนึงก็มาปรึกษามาถามว่าทำยังไงจะให้คนใกล้ชิดเนี่ยเขาเลิกบ่น หยุดพูดซ้ํำซากแต่เรื่องเดียวกันนั่นแหละคนใกล้ชิดก็ไม่ทราบเป็นใครนะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือจะเป็นสามีเธอรู้สึกว่าเป็นทุกข์มากที่คนใกล้ตัวเนี่ยเอาแต่พูดซ้ํำซากนะเรื่องเดียวเนี่ยพูดอยู่นั่นแหละอาตมาก็เลยบอกเธอไปว่าเนี่ยไอ้สิ่งสําคัญกว่าก็คือทําอย่างไร ใจเราเนี่ยจะไม่คิดแต่เรื่องใดเรื่องหนึ่งซ้ำซากไปซ้ำซากมาบนไปเวียนมาอันนี้สําคัญกว่าผู้คนมักจะคิดว่าตัวเองทุกข์เพราะว่าคนใกล้ตัวนะผู้ซ้ำซากแต่เรื่องเดียวแต่ที่ทุกข์ใจจริงๆจะเป็นเพราะใจองตัวนั่นแหละมันเอาแต่คิดวนไปบนมาแต่เรื่องเดียวกันนั่นแหละ เขาพูดไม่ดีกับเราก็าทําไม่ดีกับเราก็คิดอยู่นั่นแหละไอคนที่พูดไม่ถูกใจเราเนี่ยเขพูดแค่ไม่กี่วินาทีแล้วเขาก็อาจจะลืมไปแล้วก็ได้เพราะมันผ่านไปแล้วเป็นวันเป็นอาทิตย์แต่ไอเราเองนี่แหละนะที่เอาแต่คิดถึงคําพูดคิดถึงประโยคนั่นคิดถึงคำคำนั้นซ้ําแล้วซ้ำอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีก เป็นสิบเป็นร้อยครั้งไอ้ที่ทุกข์ใจเพราะเหตุนี้ต่างหากนะแต่ไม่รู้ตัวนะก็ไปคิดว่าที่ทุกข์เนี่ยเป็นเพราะเขานั่นแหละไม่ยอมหยุดพูดพูดแต่พูดซ้ําแต่เรื่องเดียวกันที่ตัวเองคิดซ้ําคิดสร้างนี่ไม่เคยตันหนักนั้นตะัวเองก็เธอเองก็ยอมรับนะว่าก่อนหนั้นนั้นเนี่ยหมายถึงว่าก่อนหน้าที่จะมาถาม ประโยคนเนี่ยก็ยอมรับว่าเนี่ยทาําไนใจมันคิดแต่คิดแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางสักทีอันนี้แหละคือที่มาหรือร่างเงาของความทุกข์ใจมันไม่ใช่เพราะคนอื่นแต่เป็นเพราะใจเราเนี่ ย, ยก็เอาแต่เอาแต่ขุนเคือง กับเรื่องเดียวกันนั่นแหละแค่เรื่องเดียวนี่ก็เอามาคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกจนนอนไม่หลับหรือบางทีก็กังวลกับเรื่องที่ออกมาไม่ถึงก็คิดอยู่นั่นแหละมันก็มีเรื่องเดียวนั่นแหละอาจจะเป็นเรื่องลูกเรื่องหลานนี่ยพอไม่มาดูใจตัวเองนะมันก็เลยไปโทษคนอื่นแล้วธรรมาชาติของใจเราก็ชอบส่งจิตออกนอกอยู่แล้ว ก็อาแต่โทษคนนั้นคนนี้แล้วก็เรียกร้องเขาอ่ะหยุดพูดสักทีแต่ทําไมไม่เรียกร้องเตืเอนให้เราหยุดคิดสักทีหยุดคิดซ้ำซากสักทีอคนส่วนใหญ่เป็นอย่างงี้นะเอาแต่เรียกร้องคนอื่นแต่ว่าลืมกลับมาดูใจตัวเองมิโยมีกคนหนึ่งก็มาปรึกษานะว่าเนี่ยกลุ้มใจมากเลยแม่ ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางห่วงหลานแล้วก็ห่วงตัวเองจะไปไหนก็ไปไม่ได้เพราะว่าก็คอยมาถามว่าเป็นอย่างไรคอยตามคอยโทรมาถามแล้วแม่ก็ห่วงลูกห่วงหลานจนกระทั่งเครียด คนที่เป็นลูกหรือคนที่มาบอกมาปรึกษานี่เขาก็ห่วงนะห่วงแม่เนี่ยแม่ทุกข์พูดเท่าไหร่แม่ก็ไม่ยอมไปไม่ยอมวางเรื่องลูก เ, เรื่องหลานจนเจ้าตัวเองอ่ะเถึงคนที่คนที่เป็นลูกอ่ะนอนไม่หลับเลยลตมาก็เลยบอกไว่าเนี่ยเราเอาแต่เรียกร้องคาดหวังให้แม่เนี่ยปล่อยวางแต่ทำไมเราไม่ปล่อยวางบ้าง ไอ้ที่พูดมาที่บนมาเนี่ยเป็นเพราะตัวเองปล่อยวางเรื่องแม่ไม่ได้อยากให้แม่ปล่อยวางเรื่องลูกไ่อยากให้แม่ปล่อยวางเรื่องหลานแต่ตัวเองเนี่ยกลับไม่ปล่อยวางเรื่องแม่เป็นอย่างนี้กันเยอะนะเรียกร้องให้คนอื่นปล่อยวางแต่ตัวเองเนี่ยกลับยึดติดเหนียวแน่นนี่ก็เหมือนกันเป็นเพราะลืมมองตัวเองต่คิดว่าที่ตัวเองทุกเนี่ยพ่อแม่ไม่ปล่อยวาง อันไม่ใช่หรอกเป็นพ่อตัวเองก็ไม่ปล่อยวางเรื่องแม่ต่างหากมองไม่เห็นนะพอพูดอย่างนี้ก็จะบอกว่าจะปล่อยวางเรื่องแม่ได้ยังไงแม่ของฉันเอาก็นับพ้องทำนองเดียวกันแหละเวลาไปบอกแม่ให้ปล่อยวางเรื่องลูกเรื่องหลานแม่ก็จะบอกว่านี่ยจใหฉันปล่อยวางได้ไงลูกของฉันหลานของฉันมันก็ไม่จบสักทีเพราะฉะนันถ้าอยากจะให้แม่ปล่อยวางวก็ต้องเริ่มต้นที่เราปล่อยวางก่อน อยากจะให้แม่ปล่อยวางเรื่องตัวเราก็เราก็ต้องปล่อยวางเรื่องแม่ก่อนนันนี้เพราะว่าไม่กลับมาดูใจตัวเองเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ทุกเป็นทุกข์ที่เกิดจากใจตัวเองแท้ๆไม่ใช่เกิดจากคนอื่นเป็นการซ้ำเติมตัวเองการกลับมาดูใจสำคัญนะถ้าอยากจะมีความสุขอยากจะไกลาจากความทุกข์กลับมาดูใจตัวเองเ พอถ้าไม่ดูใจเนี่ยใจนี่แหละก็จะเป็นตัวสร้างทุกข์หรือว่าซ้ําเติมนะทุกข์กายอาจจะเกิดเพราะสิ่งอื่นเกิดเพราะแดดเกิดเพราะาฝนเกิดเพราะแมลงสัตว์กัดต่อยหรือว่านั่งอยู่ในอิรลียบทใดอิเลียบทหนึ่งนานต่อเนื่องแต่ว่าเราก็ อย่างน้อยก็ไม่ซ้ำเติมตัวเองด้วยการรักษาใจปกติจะรักษาใจให้ปกติตนะ้องกลับมาดูใจของตัวใจมันถูกโทสะครอบงำไหมใจมันถูกความคิดและอารมณ์ต่างๆเข้ามากลุ่มหลุมเล่นงานหรือเปล่านะการที่กลับมาดูใจเนี่ยนะ ในขณะที่มีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นแล้วก็รู้ทันนี่นะมันถือว่าเป็นการอยู่กับปัจจุบันอย่างหนึ่งนะผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจม่มแจ้งไม่งอนงานคลอนแคลนเขาควรพ่อูนอาการเช่นนั้นไว้อันนี้ผู้เจ้าตรัสถ์นะบท ส, สวดมนต์นะพะเตกรตาคาถาเนี่ย ใ, ใจความสำคัญคือการให้กลับมาอยู่กับปัจจุบัน การกลับอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนอกจากการที่ใจไม่คิดถึงอดีตไม่กักงกวลถึงอ น, นาคตแล้วเนี่ยมันยู่รมถึงว่ามีอารมณ์ใดๆที่เกิดขึ้นก็รู้ทั น, เ, นเห็นมันเช่นมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็เห็นมันอาการจิตลสติปัฏฐานสี่เนี่ยเมื่อวานก็ได้พูดไวแล้วนะไวบ้างแล้วนะว่าให้ ตามดูรู้กายตามดูรู้ใจอีกอันนึงคือนะรู้ทันเวทนาหรือตามดูรู้เวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาก็ตามก็รู้รู้ในที่นี้คือเห็นนะไม่เข้าไปเป็นมันไม่ใช่เรื่องงานที่มก็รวดเจ็บร่วดเจ็บร้วดปวดร่วดปวดอันนั้นไม่ใช่รู้นะส่วนใหญ่มันมันเข้าไปเป็นมากกว่า ต่อเมื่อเห็นเนี่ยจึงจะรู้นะถ้าเข้าไปเป็นนี่มันไม่รู้อนะ่ะมันต้องเห็นก่อนถึงจะรู้ดั้นการที่เรามารู้ทันเวทนานี่ก็สําคัญเวทนาตอนนี้ความปวดความเมื่อยเนี่ยมันเป็นอารมณ์ปัจจุบันเป็นอารมณ์เฉพาะหน้าก็ต้องต้องไวนี่ยจิตต้องไวที่จะเห็นมัน ผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจม่มแจ้งไม่ ง, ง่อนงันคลอนแคลนขอควรพอ่อุ่อาการเช่นนั้นไว้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการอยู่กับปัจจุบันเหมือนกันนะเป็นการอยู่กับปัจจุบันอย่างละเอียดไม่ใช่หมายความเพียงแค่ว่าไม่ปล่อยใจให้หมกพุนอยู่กับอดีตนะไม่ปล่อยใจให้กังวลกับอนาคต อย่างที่พระเจ้าได้ตัดเป็นตอนแรกๆของตอนต้นของพระเถรและตะขาาว่าผุคคลไม่ควรตามพิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาไลาและไม่พึงพระงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะถ้าทําได้แค่นี้เนี่ยก็ช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะแล้วและถ้าทําต่อไปนะก็คือว่าเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงนอนคอนแคลนยิ่งดีเข้าไปใหญ่ เขาควรพบคุณอาการเช่นนั้นไว้คือทำํำบ่อยๆอันนี้ก็ใช้ได้ดีมากการที่มาตามดูรู้ทันเวทนาเพราะเวทนาเช่นความปวดความเมื่อยมันเป็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าจะมีอารมณ์ถึงอารมณ์ต่างๆด้วยนะความโกรธความหงุดหงิดความเศร้าเนี่ยพอมันเกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้ทันก็เลยโดนมาเล่นงานแต่ถ้าให้รู้ทั น, นอันนี้ก็เเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ารู้ทันคือเห็นมันเห็นความโกรธเห็น ความเศร้าเนี่ยไม่เข้าไปเป็นก็มีโยมคนหนึ่งมากว่ามาเยี่ยมนะมาแล้วก็มาถามนะว่ า, าให้แนะนำธรรมะนะที่จะช่วยในการดำเนินชีวิตธรรมก็ตอบไปอย่างนี้แหละก็ให้อยู่กับปัจจุบัน เขาก็ทำสีหน้าเหมือนกับว่ายังไม่พอใจหมายความว่ายังไม่พออยากได้ยินได้ฟังมากกว่า น, นั้นเพราะเขาคงรู้สึกว่าแค่นี้เองเหรอแค่นี้เองเหรอไอ้อยู่กับปัจจุบั น, นก็เลยตอบไปว่าอย่าไปประมาทนะอย่าไปดูแคลนว่าไอ้การอยู่กับปัจจุบันเป็นเรื่องเล็กน้อย เป็นเรื่องจิตจอยเนียมันช่วยดีช่วยลดวยความทุกข์ไปได้เยอะเลยแล้วคนมักดูแคลนวนะ่การอยู่กับปัจจุบันมันจะช่วยอะไรได้ที่จริงเพราะไม่อยู่กับปัจจุบันนั่นแหละจึงตึงจึงเป็นทุกข์เพราก่อนนั้นนนั้เนี่ยหลังจากนั้นเขาก็พูดอีกสักหน่อยหลังจากที่เขารู้สึกว่าอาตมา น, น่าจะพูดมากกว่า น, นั้นนะแนะนําแค่ให้อยู่กับปัจจุบันเสร็จ แ, แล้วเขาก็พูด ว่าเนี่ยทำอย่างไรมันถึงอู่หยุดฟุ้งซ่านนะเพราะว่ามันฟุ้งซ่านเหลือเกินก็บอกเขาไปว่าก็เพราะว่าไม่อยู่กับปัจจุบันนั่นเองถึงฟุ้งซ่านไอ้คำถามไอ้คำพูดที่เขาพูดมามันก็ฟ้องในตัวนะว่าเขาไม่อยู่กับปัจจุบันเพราะถ้าอยู่กับปัจจุบันไม่ฟุ้งซ่านหรอก เพราะส่วนส่วนใหญ่อที่ฟุ้งซ่านเนี่ยพ่อมันไปอยู่ไปฟุ้งไปคิดถึงเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างก็หวังว่าพอพูดแบบนี้เขาจะเข้าใจนวการอยู่กับปัจจุบันเป็นเรื่องสําคัญและที่ปัญหาของเขาเนี่ยมันเป็นเพราะเขาไม่อยู่กับปัจจุบันถ้าอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยมันจะมันจะไม่เพียงแต่ช่วยปลดช่วยเปลื้องอารมณ์ที่มาทําความทุกข์ใจ แต่มันยังช่วยทำให้เกิดปัญญาด้วยนะเพราะว่าถ้าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยในความหมายที่ว่าเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างจำแจ้งเนี่ยมันก็จะเห็นสัจธรรมความจริงธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยก็หมายถึงอารมณ์หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราถ้าเราเห็นมันเนี่ยมันก็จะแสดงทําให้เราเห็น อันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นต้นหรือทำให้เห็นความจริงเรื่องรูปเรื่องนามเมื่อวานก็ได้พูดไปแล้วว่าเนี่ยหลวงพ่อชาติท่านพูดว่าเนี่ยผู้ใดมีสติตลอดเวลาผู้นั้นก็จะได้ฟังธรรมของผู้เจ้าตอะเวลาเมื่อตาเห็นรูปก็เป็นธรรมะนะเมื่อหูได้ยินเสียงก็เป็นธรรมะจมูกได้กลิ่นก็เป็นธรรมะลิ้นได้รับรสก็เป็นธรรมะ ธรรมะนี่มันจะปรากฏกับเราตลอดเวลานะถ้าเราดูเราเห็นเราได้ยินได้กลิ่นอย่างมีสตินะไม่ลืมตัวเนี่ยทุกผัสษะเนี่ยมันจะเผยหรือนำธรรมะมาปรากฏแก่จิตใจของเราก็จะเห็นนะความเกิดความดับของมัน เห็นความไม่เที่ยงของมันที่มันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นทุกข์และที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีตัวตนของมันเองมันจึงพร่องมันจึงไม่สมบูรณ์มันจึงเสื่อมมันจึงแปรผันอยู่ตลอดเวลาการมีสตินมันไม่เพียงแต่ช่วยทําให้เราเห็นเห็นธรรมะที่เกิดขึ้นภายในใจนะแต่ว่า หากยังช่วยทําให้เราเห็นธรรมะนะที่มันปรากฏกับสายตาหรือปรากฏในการรับรู้ของเราด้วยเวลาบอกว่าเนี่ยอย่าไปส่งจิตออกนอกเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องไปรับรู้เรื่องภายนอกนะมันเป็นไปไม่ได้คนเราก็ต้องรับรู้สิ่งภายนอกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่ว่าอย่าไปหมกบุนตด จดจ้องกับมันจนลืมตัวเช่นได้ได้ฟังเสียงเพลงก็เคลิม้มพลอยกับเสียงเพลงนั้นหรือว่าเห็นรูปที่หน้าพอใจก็ปักเตืองอยู่กับรูปนั้นเช่นคนเช่นคนหลอ่อผู้หญิงสวยอาหารที่อร่อยนะถ้าใจไปเพง่งไปจมอยู่กับรูปนะอยู่กับเสียงนี่เรียกว่าส่งจิตออกนอกหรือปรุงแต่งนะไปกับเมื่อได้เห็นรูปได้ยินเสียงเนี่ย แต่ถ้าเรามีสตินะใหการรับรู้สิ่งภายนอกเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มันไม่ใช่ทำให้ลืมตัวถ้าเรารับรู้อย่างมีสติเนี่ยมันก็สามารถที่จะเห็นธรรมได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะต้องกลับมาไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมามองตนมาดูกายดูใจเนี่ยมันถึงจะเห็นธรรมแม้แต่สิ่งภายนอกเนี่ยนะ เมื่อตาเห็นรูปหูดินเสียงมีสติมันก็เห็นธรรมหรือว่าได้รับรู้ธรร ม, มะเหมือนกันอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวนะไม่ได้ไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกไม่ได้ฟังธรร ม, มะก็สามารถที่จะได้ยินได้ฟังธรร ม, มะได้เหมือนกันสมัยที่หลวงปู่มั่นเนี่ยยังยังไม่ดังเนี่ย แต่กิติศั์ของท่านก็เป็นที่รู้กันในหมู่พระนะทั้งพระฝ่ายปกครองพระพระฝ่ายปฏิบัติพระป่าว่าท่านเป็นพระที่นะที่ใส่ใจนะกับการปฏิบัติธรรมทุดงไม่ค่อยอยู่ประจำเท่าไหร่คราวหนึ่งไปที่เชียงใหม่ก็จว่าไปงานศพของพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง งานนั้นก็มีพระชัน้นพระราชาคณะชั้นสมเด็จซึ่งดูแลภาคอีสานไปร่วม ง, งานด้วยพระราชาคณะท่านนั้นเนี่ยก็ได้ยินกิติศัพท์หลวงปู่ปั้นนะว่าเป็นพระที่ชอบทุดงท่านไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าท่านว่าพระนี่ต้องอยู่ประจาวัดแล้วก็ต้องศึกษาเริ่มเรียนพระปรยติธรรม พระราชาคณา ท, ท่านสนใจเรื่องประยะติธรรมมากท่านเป็นพระสมัยใหม่เมื่อเห็นอาจารย์มั่นนะก็เลยเรียกมาทำนองต่อว่าวันเนี้ท่านชอบทุดดงอยู่แต่ในป่าเงี้ยแล้วจะได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์จากเพื่อนสาธรร ม, มิกอย่างไร อาจามั่นท่านก็ตอบว่าพระเดชพระคุณอย่าได้ห่วงกระผมเลยอกระผมอยู่ในป่าแต่ว่าก็ได้ฟังธรรมะจากเพื่อนสะอาดธรรมิกตลอดเวลาเวลาได้ยินเสียงจิ้งหรีดเ ล, ลไลดินเสียงนกดินเสียงช้างเสียงเสืออันนั้นก็ล้วนแต่เป็นธรรมะทั้งนั้นเสียงธรรมชาตินี่เป็นธรรมะทั้งนั้นท่านพูดเพื่อจะบอกว่านท่านไม่ได้ห่างจากธรรมะเลย ได้ฟังธรรมะตลอดเวลานะเวลาใบไม้นะร่วงหล่นนะ น, นั่นก็เป็นธรรมะเวลาต้นไม้เขียวขจีหรือว่าแห้งตายซากก็เป็นธรรมะสอนช่วยให้กระผมไม่ลืมสติว่าเป็นใครมาจากไหนและจะไปไหนนะ เพราะฉะนั้นพระเดปพระคุณจะได้ห่วงกับผมเลยนะให้ท่านตอบได้น่าสนใจนะว่าเมื่ออยู่ในป่าเนี่ยนะสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่ว่าเห็นด้วยตาไม่ว่าได้ยินด้วยหนะูถ้าดูดีๆก็เป็นธรรมะนะสอนให้เห็นความจริงนะเรื่องเกิดเรื่องดับ สอนให้เห็นถึงความจริงเกี่ยวกับไตร ล, ลักษณ์ให้เวลาอยู่ป่าเนี่ยนะแม่อยู่ทา่ามกลางธรรมชาติไม่ได้อยู่ไม่ได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ที่เป็นบุคคลเนี่ยก็สามารถจะได้ฟังธรรมะหรือว่าได้รับรู้ธรรมะได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่บอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนใดต้องอ เราไม่จำเป็นต้องไปรับรู้โลกภายนอกนะแม้ว่าครูบาอาจารย์จะสอนให้กลับมาดูกายดูใจนะแต่ว่านขาเดยกันเมื่อจะรับรู้สิ่งภายนอกก็ให้มีสติน้องก็ทำให้เกิดปัญญาได้เหมือนกันนะขอเพียงแต่มีสติก็แล้วกันนะอะไรเกิดขึ้นกับกายก็รู้ทำอะไรใจก็รับรู้นะเวลา คิดนึกอะไรไปนะก็รู้ทันนะอันนี้เรียกว่ารู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกนะแต่ถ้าเกิดว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็ตามพูดง่ายคือเกิดทัศษะก็มีสตินะให้มีความรู้สึกตัวนอกจากจะทำให้ใจเนี่ยไม่ไม่ไมถล่มเข้าไปในอารมณ์ที่เป็นอกุศลจมเข้าไปในความทุกข์แล้วเนี่ยยังทาให้เกิดปัญญาได้ด้วย ต้องฉลาดนะทั้งฉลาดมองในก็คือตามดูรู้กายและใจรวมทั้งเวทนาด้วยการเดียวกันก็ฉลาดในการมองข้างนอกนะต้องมีสติเป็นตัวรองรับไม่งั้นมันจะเป็นการส่งจิตออกนอกหรือว่าเป็นการหลงตัวลืมตนเพราะว่ารูปรสกลิ่นเสียงนะอย่างที่เรียกว่าเมาแสงสีนะ เนะมาแสงสีเย่างนี้ผู้คนก็เมาเพราะเห็นนี้มากแม่ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้เสพยาแต่มันก็เมานะกับแสงสีเสียงเพลงนะหรือว่ารูปรากกินเสียงคือปล่อยใจจมหลงไปเพลิดเพลินหรือไม่ก็ทุกข์นะไปกับสิ่งนอกตัว เราต้องมีสตนะิในการที่จะรับรู้สิ่งเหล่านั้นแต่ใหม่ๆนี่ยังทำยากนะต้องกลับมามีสติในการรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกก่อนมันต้องเริ่มต้นตรงนี้นะเป็นการฝึกให้จิตเนี่ยฉลาดนะในการรู้ทันอารมณ์และสามารถที่จะเห็นธรรมนะจากกายและใจได้จากนั้นแล้วเนี่ย เวลาตาเห็นรูปหูดินเสียงเนี่ยนะมันก็จะเห็นเป็นธรรมะได้มันเกื้อกูลกันนะแต่ว่ามันต้องเรารู้จั ก, จกทําเป็นขั้นตอนแม้กระทั่งการที่กลับมาดูมันมองตนเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นที่การดูกายให้ให้ชัดเจนก่อนชัดเจนในทนี่หมายคือว่าคล่องแคล่วนะกายทําอะไรใจก็รับรู้คือรู้สึก ยกมือก็รู้สึกเดินก็รู้สึกนะอาบน้ำถูฟันนะไปะใส่เสื้อบินทบายก็รู้ตัวเรืว่ารู้กายเคลื่อนไหวต่อไปเนี่ยสติม่าจะวายจนเห็นใจคิดนึกนะจะไปเห็นใจคิดนึกโดยที่รู้กายนี่ยังยังไม่ยังไม่ยังไม่ไวพอหรือยังไม่เห็น มันก็ทำไม่ได้นะก็มีแต่จะเสร็จความคิดเสร็จอารมณ์คิดไปจะไปจะไปดูมันอ้าวกลับเป็นมันซะละการที่จะเห็นมันอ้าก็เข้าไปเป็นมันซะละการที่จะดูมันก็เข้าไปอยู่กับมันซะละนะต้องเริ่มต้นในการที่กลับมารู้กายนะให้ต่อเนื่องนะกายทำอะไรใจก็รับรู้เนะี่ยแล้วหลังจากนั้นแหละพอ มันคิดนึกอะไรนะก็มีสติรู้ทันนาชาติที่ก็พูดท่านนินนะะครับครบ